หมวดห้าสิบที่หนึ่งในหมวดนี้มีห้าวักวักละประมาณสิบสูตรคือหนึ่งพันธคามาวักว่าด้วยเหตุการณ์ในพันธคามหรือหมู่บ้านชื่อพันทะวักที่สองเจรวักว่าด้วยอิริยาบทเดินวักที่สามอุรุเวลาวักว่าด้วยเหตุการณ์ในตำบลอุรุเวลา วักที่สี่จัต ก, กวักว่าด้วยล้อรถล้อธรรมะวัคที่ห้าโรหิตตัสวักว่าด้วยโรหิตตัสสะเทพบุตรวักที่หนึ่งพันธคามวักว่าด้วยเหตุการณ์ในพันธคามหรือหมู่บ้านชื่อพันธะรัตว่า ที่เราและท่านทั้งหลายเวียนวหา้ท่องเที่ยวอยู่ตลอดกาลนานก็เพราะไม่ตรัสรู้ศีลสมาธิปัญญาวิมุตตหรือความหลุดพ้นอันเป็นอริยะแต่เมื่อได้ตรัสรู้แล้วก็ถอนตัณหาเสียได้ไม่มีการเกิดอีกตรัสว่าถ้าไม่ประกอบด้วยธรรมะสี่อย่างข้างต้นชื่อว่าตกจากพระธรรมวินัยนี้ ประกอบด้วยธรรมะสี่อย่างนั้นจึงชื่อว่าไม่ตกจากพระธรรมวินัยนี้ตรัสว่าคนพาลประกอบด้วยธรรมสี่อย่างชื่อว่าบริหารตนให้ถูกขุดมีโทษควรติเตียนประสบสิ่งไม่ใช่บุญเป็นอันมากคือไม่พิจารณาสอบสวนหนึ่งชมผู้ที่ควรติสอง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 ทั้งไม่ปฏิบัติธรรมสงควรแก่ธรรม 2. ผู้สะดับน้อยแต่เข้าถึงด้วยการสะดับได้แก่ผู้สะดับน้อยแต่ปฏิบัติธรรมสงควรแก่ธรรมสผู้สะดับมากแต่ไม่เข้าถึงด้วยการสะดับได้แก่ผู้สะดับมากแต่ไม่ปฏิบัติธรรมสงควรแก่ธรรมสี่ 4.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 มัดสัตว์ไว้ในภพสี่ประการคือกามความใครและสิ่งที่น่าใครพภพความมีความเป็นทิฏฐิความเห็นอวิชชาความไม่รู้อายตนะหกตามเป็นจริงและทรงสแสดงธรรมอีกสี่อย่างที่ตรงกันข้ามชื่อวิสังโยคะคือเครื่องคลายมัด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 คือตาหูเป็นต้น 2. ได้แก่การละอกุศลวิตก 3. ได้แก่การเจริญโพชงเจดมีสติเป็นต้น 4. ได้แก่การรักษาสมาธินิมิตรหรือเครื่องหมายในใจที่ทำให้เกิดสมาธิมีความกำหนดหมายในกระดูกหรืออธิกะสัญญาเป็นต้น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 เป็นใหญ่โดยภัยบูรสม์มเป็นใหญ่โดยโพรมจันส์่เป็นใหญ่โดยเลิดด้วยลาบทรงเล่าเรื่องพรามผู้เท่าสูงอายุหลายคนผู้พากันกล่าวหาพระองค์เมื่อตรัสรู้ใหม่ๆณริมฝั่งน้ำในรัญชะราว่าไม่กราบไหว้ตอนรับพรามผู้เท่าผู้สูงอายุพระองค์ทรงดำริว่า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 ที่นอนที่นั่งหรือโคนไม้4ย่ยาดองด้วยน้ำมูดเน่าทรงแสดงวงของพระอริยะที่เป็นของเก่าไม่เป็นที่รังเกียจในสามการคือหนึ่งสันโดษ ด, ด้วยจีวรตามีตามได้ 2. สันโดษ ด, ด้วยบินทบาทตามีตามได้ส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 โดยทํานองว่าถ้าใครคัดค้านก็จะถูกกล่าวหาว่าเป็นคนโลภคนพยาบาทคนหลงลืมสติคนมีจิตไม่ตั้งมั่นวรรคที่สี่จกกักรวรรคว่าด้วยล้อรถล้อธรรมะทรงแสดงจักสี่ คือธรรมะเปรียบเหมือนล้อรถคือ 1. การอยู่ในสถานที่อันสมควร 2. การพึ่งหรือคบสัตบุรุษคือคนดี 3. การตั้งตนไว้ชอบ 4. ความเป็นผู้มีบุญอันทำไว้ในการก่อนทรงแสดงสังหะวัตถุสีเรื่องของการสงเคราะห์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 ความดับแห่งกายของตนข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งกายของตนเหมือนราชสีบลือสีหนาฏทรงแสดงความเลื่อมใสสี่ประการคือหนึ่งพระตถาคตเป็นเลิศแห่งสัตว์ทั้งหลาย 2. อ, อริยมรรคมีองค์8ปดเป็นเลิศแห่งธรรมะที่ปัจจัยปรุงแต่งสา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 เป็นผู้หลีกเร้นแล้วคือละอิสมิมาณนะความถือตัวได้ตรัสตอบอุทยพรามผู้กล่าวว่าพระสมณโคดมไม่ทรงสรนเริญยันโดยทรงชี้แจงว่าพระองค์ไม่ได้สรนเริญยันทุกชนิดแต่ก็ไม่ได้ติยันทุกชนิดคือไม่สรนเริญยันที่มีการฆ่าสัตว์เพราะพร ะ, ระอรหันต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 เรียบเหมือนหมอกอีมะทุลีกวันหรืออาสุรินทราหูซึ่งเป็นเครื่องเศร้าหมองแห่งพระจันทร์พระอาทิตย์ฉะนั้น